พอความเมตตาหลวงตาได้อธิบาย ท, ที่หลวงตาพูดว่าเวลาที่เราเราตายนะคะถว่าเราไม่ยังไม่สามารถที่จะละอวิชาตันหาอุปทานได้เนี่ยมันก็จะติดไปกับกับเออเป็นกายใสที่ติดไปกับวิญญาณธาตุรู้หรือเปล่าคะเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าได้ไดค่ะของเราที่เมื่อกลับมาเกิดใหม่เนี่ยนะคะในใน สิ่งที่มีขันห้าเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะแล้วเราเราก็ได้รู้หนทางแห่งธรรมมีการเจริญสติมีการปฏิบัติอันนี้คือการที่เราจะไม่พอกภูนสิ่งที่เป็นอวิชชาตันหาอุปท า, านเข้าไปในในในในในตัวนน<า>ในสต<า>ิปัญญาในสติปัญญาทีนี้ว่า แล้วของเก่านี่มันหมดไปได้ยังไงคะที่เพราะมันเป็นตัวที่พาเรามาเกิดของเก่าคืออาสวะอนุสัยไงค่ะของเก่าคืออนุตตรอนุสัยนัเงที่มันติดเป็นกิเลสเครื่องดรอสันดานนิสัยสันดานข้ามพข้ามชาติมาเนี่ยพอเกิดใหม่อเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยสันดานติดมาเลยนิสัยสันดานตามเดิมเลยของเก่าเลยเด็กแต่ละคนศัต่ละฉาเหมือนกันนะค่ะบางตัวมันก็ขี้ฉาบางตัวมันก็ขี้เมตตาบางตัวมันก็มีมีน้ําใจเกื้อกูลคนอื่นมีน้ําใจเกื้อกูลตัวตัวอื่นเนี่ย มันมาติดมาไม่ว่าคนสัตว์อะไรมันติดที่สายสันดานเดิมมาเนี่ยคืออาสวัหรืออนุสัยใช่ไหมค่ะคือมันติดมานี่นะติดมาสายจิตเดิมแท้เนี่ยค่ะโยมก็เลยสงสัยว่ามันติดมานะคะแล้วเราก็มามารู้ว่าเราเราไม่ควรจะเพิ่มพูนมันขึ้นอีกก็โดยวิธีปฏิบัติโดยมีสติอย่างที่ที่ที่ทหลวงตาแนะนําเนี่ยนะคะแล้วไอ้ตัวของเก่าเนี่ยค่ะมันจะหมดไปได้ยังไงคะที่บอกว่าถ้าเราถ้าเราได้เจริญ สติแล้วก็ปฏิบัติตามหนทางของพระพุทธองค์อย่างเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะอีกไม่เกินเท่าเจ็ดชาติเจ็ดปีเจ็ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ชวนสงสัยคือค่ะชาติเจ็ดวันเจ็ดจปีแล้วก็ของเก่าอ่ะค่ะซึ่งมันมันเราเรามีมาแล้วในภพชาติอันประมาณไม่ได้หรดจรยิงเลยโยมก็ถามมืโยมข้างหลังตรงนู้นอกีที่ถามนั้นที่เขาบอกว่า อาสวะอนนี้ใสอนุสัยของเรานิสัยสันดานเราเนี่ยมันหายไปได้ยังไงคเพราะว่าอาสวะหรู้ใส์อนุสัยนิสัยสันดานที่เป็นพ่อแม่ของอวิชชาที่เป็นเป็นตัวต้นเหตุเลยที่ทำให้เราเนี่ยยึดเขา้าไปยึดไปยึดไปยึดแต่ตามนิสัยสันดานเนี่ยมันหายไปได้ยังไงที่ตอบโยมเช้าที่บอกมาก็ว่าเราจะไปยึดอะไรได้ไมันต้องคิดมันต้องปรุงมันถึงจะยึดอะไรได้ถ้าเป็นรู้ซะแล้วเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้แต่แท้แเรารู้ทุกคิดไปติดไปมันคิดอย่างไรได้แต่รู้ ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจมันเป็นรู้ซะแล้วมันก็เลยคิดมันไม่เป็นคิดตอนนี้ยมันจะไปยึดอะไรไม่ได้มันต้องคิดแต่นี่ไอ้อาสว่านุสัยนี่ยมันจะปรงแต่งได้มันก็ต้องอาศัยคิดทําไม่ไม่หลงไปกับความคิดมไม่ติดไปกับความคิดมันก็เลยไอ้อาสว่านุสยัยอไอ้ที่ของเก่าวที่ติดมาแต่เดิ ม, มก็ก็หมดไปแสดงว่าเราเช้าเนี่ยมาเช้าที่โยมเขาถามอธิบายไปแล้วมาจช้าราเชาอธิบายโยมไปต้นหวดเนี่ยมันมาจากคิดอื ม, มา แล้วเราไม่ทันมันไม่รู้ตั้งแต่คิดถ้าเราเป็นรู้คิดไปติดไปทุกอย่างก็จบลงแต่ถ้าเราติดไปกับความคิดมันก็ไปกินเละตันหาเลยตอเนี้ยหรือเราพยายามไปดับคิดไม่ให้มันคิดแต่ความจริงอะที่เราพยายามไปดับคิดไม่ให้มันคิดเราคิดแล้วเราคิดพยายามจะไปดับคิดไม่ให้มันคิดเราไม่รู้ตัวเรานึกว่าเราไม่คิดแต่ความจริงไอ้ที่เราคิดพยายามจะไปดับคิดให้มันดับสนิทไม่ให้มันคิดอันนี้คือมันคิดอยู่แล้วมันคิดพยายามจะไปดับความคิดแต่ถ้าเรารู้ซื่อความคิดทุกคิดจริงๆ มันก็ไม่ติดไปแต่ถ้าเราพยายามจะไปดับคิดมันก็ติดแล้วไปติดความคิดแล้วคือลองคิดจะพยายามไปดับมันไม่ให้คิดอันนี้เราติดไปกับความคิดแล้วคือมันคิดพยายามเราเลยหลงไปทําตามมันเลยตัวนี้เลยเป็นกิเลสเลยตัวนี้มันเลยไม่สิ้นกิเลสไปได้ไงตัวนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ติดไปจริงๆต้องมาพยายามไปดับมาแล้วก็ต้องไม่หลงไปกับมันไม่ติดไปกับมันก็เลยเป็นรู้ตามธรรมชาติก็เลยเข้าก็เป็นรู้ปุ๊บมันไม่มันปรุงแต่งไม่ได้มันก็เลยพ้นไปพ้นจากคิดมันก็เลย ต้นกิเลตตันหาพระุทธเจ้าจึงตัดว่าเนี่ยเปรียบเทียบว่าต้นตันหาเอ้ยเจ้าเราตัดลากแก้วของเจ้าขาดแล้วเนี่ยต้นตันหาต้นเนี่ยต้นตันหาต้นใหญ่ใอ่ะเราตัดลากแก้วเจ้าขาดแล้วไว้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มันตัดลากแก้วนะมันก็ตายเออลากแก้วมันเป็นรากสําคัญที่ที่ส่งน้ําเลี้ยงต้นตันหาเอ้ยเราตัดรากแก้วเจ้าขาดแล้วเจ้าตายสนิท ตัณหาเนี่ยดับสนิทตายสนิทเพราะเรารู้ว่าลากแก้วของเจ้าเกิดมาจากเนี่ยดำริคิดถ้าเป็นรู้มันก็ไม่ได้เป็นคิดเพราะคิดมันก็จะไม่เป็นรู้อะเพราะรู้มันคิดไม่ได้ถ้าท่านมาเป็นรู้ซะแล้วมันก็เลยไม่เป็นคิดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ารากแก้วของต้นตัณหาคือคิดนี่ไงแต่ท่านมาเป็นรู้ซะคิดก็คิดไปแต่มาเป็นรู้มันก็เลยคิดก็หมดความหมาย จึงบอกจึงเป็นที่มาของว่ารู้ทุกคิดไม่ติดไปคิดอย่างไรหรือจิตเป็นอย่างไรก็ได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจ